สิกขาบทที่5ว่าด้วยการไม่ช่วยระ ง, งับอธิกรณ์เรื่องภิกษุณีทุลนันธา994สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบิธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีรูปหนึ่งเข้าไปหาภิกษุณีทุลลนันทากล่าวว่าแม่เจ้าโปรดมาช่วยระ ง, งับอธิกรณ์นี้ด้วยเถิด ภิกษุณีทุลนันนาธารับปากแต่ไม่ช่วยระงับไม่ขนขวายให้ผู้อื่นช่วยระงับลําดับนั้นภิกษุณีนั้นได้บอกเรื่องนี้ให้ภิกษุณีทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตนําหนิประนามโพนทนาว่าฉันในแม่เจ้าทุลนันนาธาอันภิกษุณีขอร้องอยู่ว่าแม่เจ้าโปรดมาช่วยระงับอธิกรนี้ด้วยเถิด รับปากแล้วแต่ไม่ช่วยระงับไม่ขนขวาให้ผู้อื่นช่วยระงับเล่าครัดแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นาเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ